เป็นวัพระกลางเดือนหกหยุดถกงิณที่แกในวันนี้ถ้าหากว่ามันมีอาทิตยมาตยมันมีป่าเชิงป่าวันนี้จะเป็นวังเปล่งเสน็มดีจ้าทเป็่งเสร็มอ า, าทิตา์กถึงต้นมันยังมีส้าขาดีใช่แต่ละกลางเรือนประเด็ยนยแม่ก็มีต่ชิ้น่า มาถ้าแล้วก็เลี่ยนมาจสงเลี้ยงส่อทำร่านไแรกวบูชาขอามูชาก็คงจะเป็นทางดินมากที่ถูกต้องตามดาราจาสรและโหราศาสตรนพระอาอิชฌาเรีนโพจรรดปลอกสุราเพลิดมีถ้าขาดมีท่าเกิม มีทั้งเตมมีทั้งตัดหลายวานละเวลาที่ถามคนเราก็มีทั้งขาทั้งเติมทั้งเติมต้องขัดแต่เราก็ไม่เติมเราก็ไม่ถอดเถิดใจในชีวิตปฏิบัติธรรมนี้แต่ขอฝักท่านไะดูความคิดกามหมายที่ท่านเองในท่านทั้งหลายอาจเจริญตะกมตะามดูที่เสร็จแต่คนจะเสร็จดีจะเสร็จถาม กระสุดกระยอมมาแล้ว่เพิ่มเอออตาทั้งก็คอยทั้งท่านอย่างนี้ที่ไล่ได้แต่กระดุ้นโทษแต่กังวลมาอยู่วัดปฏิบัติธรดูที่ปัติ่เห็นลัคนกลายเห็นขององค์เจ้าอยู่เรื่อยเห็นอริยบุตรดูอริุรุษาสีมหาโพธิสงสา เหนียวตึงต้านปรงเของธรรมชาติให้ครบถ้วนชั่งยุลานัดที่สุดตอปฏิบัติธรรมนั้นแต่หรายหาดูรู้ไม่ว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรแต่ทั้งหลายทหญิงด่าชาวที่ทาตั้งใจมาและศรัทธาอันนันเชดำสาว ที่ลึจะไม่ประมาทที่ลึจะเข้าไปถึงศพมุ่งหมายของปฏิปักษ์นะแน่นอนที่สุดขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมไว้วันอุโบสถที่วันนี้เป็นวันที่ราจะรักษารสุขสดสดชื่นทําใจให้ชื่นบานทำให้จะเฉลิมทาลานสักวั น, นหนึ่งจะทําได้ไหมเป็นทั้งหลายเรามาวแสวงหนะาธรรมะ มากล่าย้ำมานานแล้วให้เขาวัดถึงสามวัดวัดถูกสาถ้าท่านมีธรรมะประจําจิตประจําใจวัตถูกก็สะอาดจีบุกก็จะ่าบจะจากมลทินจะไม่สับนองต่อไปตลอดภาพินี้และชาติหน้าวัดที่สองวัดอารมณ์เราดูอย่าไปวัดอารมณ์คนอื่นเ้าจะเสียคลืนคลืนอาปาจะเสียโอกาสไปเวลาของท่านถึจะได้จะตัวของท่านแล้ว ตัวใครตัวงาใครทำใครได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้ช่วกันไม่ได้ภรรยาปฏิบัติธรรมมีธรรมะประจำสุกใชาชีวิตประจำใจที่ถูกต้องตามคองของวุตแล้วสา ม, มีก็คงไม่ได่าต่างคนต่างทมกันสา ม, มีนะั่งปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในวัดภรรยามาตาม พันยาไม่สนใจเลยกห็ห่างเหวนข้ากระดุมแน่นอนที่สดุดจะไม่พบกันในชาติหน้ า, า, นนาต่อปันทำมือรักสำคัญพระพุทธเจ้าเเวิประชาติพุกชาติดาสิประสงค์ขายกำไรเสื่อมกับคือบาลมือของพระศินาสุขดาธรรมามิจาวขายจึงหยุนแค่คุณแก่ที่หน่าบิชาพระจดจุลมากับแม่อรพินเทวูตะกอน ค, คู่ชาคู่สองคู่อรมณ์กันมาขะเลือกสละพึ่ให้ฉันดดกเหมือนก็ะวสะดอนฟองปาราดราชาโกหรือหมูตันยาสูงแม่เอ๋ยแม่มัคซีสร้างความดูสงองพระองค์ท่านรลองพระบาปาละหมาระมลด้วยกันนะป่าหิมะพามตลอดมาแค่จะเอาทีนึกทีวาถามว่า แต่แล้วก็ต้องอดทนประวัติ้างปัจจัยหน้าเป็นเหตุให้พระองค์ได้สมเด็จมาผลให้เข้าสู่มาผลั็ปุทยานจัดเป็นองค์ขราสั ม, มาเัมรเจ้าในโอกาสต่อไปได้เลยแต่ทั้งหลายเอย๋ผู่ช้างคูสมคู่อบรมจิตในโลกมนุษย์นี้มีคู่เดียวเท่านั้นคือพระพิจาตรกับ พระอัครมเหสีสร้างความดูทุกข์ยาบเคอกันทุกข์ยากเจอกันทุกข์ยเสียขละกระทั่งขอช้าหรือแม่สันหาก็ให้เป็นทางแม่มัทีก็หาดูว่ามันลูกทั้งสองก็กรองดองกันว่าเชื่อสามโพธิญาณของขระกจะบิดาตลอดกระทั่งท่นนกทุลนูด้วยออกมายังมีคัดเจนะขอฝากท้าน้อ้ ข้างพัะนายเนตรนายนาขอเพียกระละควักให้เันานได้จิตใจกอพักเอาดวงใจหาใยให้เป็นฐานได้ขอหมายความมาลูกละเรื่องสองลาก็ให้เป็นฐานได้มาเด็ดขัดตีพอดในนี้ยบวงหาใจอันลึกสามีภรรยาก็สามารถเพียกระละได้กันจะได้แล้วเมตต์มัมกผลแน่นอนอาปรชากนี้ก็แบบ อาควาเสือทละ่าอะไรไม่ได้แล้วมาต้องกล่าวว่าชาบนี้น ไ, ได้ชาบหน้าปกคลุมได้ดเช่นเดียวกันอ น, นุตเป็นบอลทำลายจุกดชีวิตแล่นแฉนชีวิตจะไม่มีแปลงในแผนขังชีนี้จะแล่นแฉนตลอดตายสุขอ ก, กทุกได้ยากตลอดทั้งจิตใจอยู่ละทนขมคืนข้ามคืนก็มันมีความฝุกหาความสบายไม่ได้เลย ไหนเลยแล้วท่านจะได้พอกพลิกในจิ้นสมภารเพราะฝากข น, นวยมาตุ้มจีนจั่งจั่งจะไปได้อะไรกันท่าเรียนมหนึ่งทุกมหกท่นทานจบเรียนทุกหกปีนะไม่ต้อไปเอ็คทักการปฏิบททัติธรรมก็เช่นเดี่วกันต้องไปปฏิบัติไปตามขั้นตอนคำลองพองชีวิตนี้ฉะนั้นถ้าจะเดินทางถ้าผิดฉนชีวิตอับปางจะเทียการเวลาในชีวิตไปเปล่ปาประชากประโยชน์ มันมีประโยชน์อันใดแก่ท่านแล้วที่น้องศิลป์หลักทั้งหลายจะเป็นทั้งบัญชดนักบวชจะไปอวยใครจะเป็นขลหะผู้คลองเรือนผู้ขลาวกดจำเป็นในชีวิตของเขามากของประกอบประชาพงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานในชีวิตของเขามือโอกาสดับขมวดไปใหเพราะยัง เ, อองเงลื้ยงตำรวนเท่ในหุ่นจ กังขาในุหัวใจตลอดเวลาการสงไขยตลอดและล่ำไปไม่มีความที่จะแจ้งแจงครัดจะมาเปิดเผยาลังในดวงสุดหอบไทยใช้จะอาดถึงท่านได้พระพุทธเจ้าสอนเราให้มีปัญญาในตัวปัญญานอกตัวเนะชยขั้วตัวเองไม่ได้ช่วยคนอื่นไม่ได้องค์สมเด็จขทาพมาท้ี่เจ้ตาสัมผัสเวชชาถึงยุติถึงตายถึงอสงไข่ ชามลามือกุศนบุญญาเหล่าีมาหลายชาติหลายกับทำงนานตาก็ลอดกาลเวลากพอจะมาสัตว์ชาติผุดพายเจนะทุทชูเมมากูจานาวิเวรจะเว่จะชาติเป็นภวชนดอนให้ชามในทุกอย่างทั้งขนุนปูพาพรเกศมังกรแกตลอดกระทั่งเพชรนุนจุนดาให้สาวสีสาวชายเป็นหม่ในหวังผลแต่อะไรจะตอบแทมกับการใดชาติผุดพายก็าสา ม, มารถยืดระดับได้ ชาติสุภาแต่เราเป็นชาติสุภ า, าหรือชาบไหนกันชาตินี้ชาติแล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถจะแลกเอามรดผลได้แต่กระทำใดไหนเลยจะแข่งจะได้ยานที่ตกเลยใครปฏิบัติการเสียดายเสียใจด้วยแค่เจ็ดวันอภิบาล ย, ยานแค่สําหรับยานยานก็ไม่ดับอะไรไม่ได้เลยแลย้วจิตก็อกใจสํานึก คิดว่าเป็นการได้เลยมันยากยา ก, ยากมากไม่ใช่เรียนหนังสือง่ายกว่าจบปริญญาเอือเรียนก็ง่ายกว่าแต่การช่างจิตชีวิตจันทร์ใสใจสะอาดหมดจดบริสุทธินั้นพองคำธรรมชาติที่เร่อเหลาทำได้ยากมากต้องพยายามทำตลอดไปอย่าไปพุ้งไปกว้างกลางมรรคธรรมชา ทำจากเสียเวลาตามที่จะเดินทางกระตอไปจากเสียหน้าที่การงานทีเด็เหลือน้อยเวลาก็น้อยลงไปทุกวันไอ้ข้างหลังก็มากโดยเวลาทีวิตเดินทางก็เหลือน้อยเป็นทีแดงทีวิตเราก็ใกลที่จะเลี้ยวรัดชายมาพับอับกระดมคบดวงท่าทิกก็จะตกไปตามตามมาขมายคาวีที ถ้าทุกไม่เคยข้ายฟ้าคือมิคืีวาเราก็ต้องดับท่านคิดบ้างหรือไ ม, ม่หนุ่งด้วยสาวอย่าคิดว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าเขาขาวทุกคนว่าจะมีโอกาสที่จะสร้างความดีอีกนานแตอนน่อาจจะตา ย, ยขึ้นในถ้ำผืนยันนี้ท่านจะชาบหรือไม่แปลาการใดอาจจะตายวันทุ่งนี้ตีนี้มาปาปิบาลทำไม่ได้มันรุ่งตีหน้าคงไม่ยุ่ง ปีหน้าคงมาได้ท่านคิดอย่างนี้กันทุกคนแล้วนะเวลาเวลาที่มีประโยชน์ต่ อ, ขขอชีวิตของท่านเหลือเกินท่านจะเดินไปทางไหนจะเต้าวหน้าไปทางไหนเต้าหลังไปทางไหนท่านจะทราบไหมทำทั้งหลายเออไม่ใช่ของง่ายง่ายากไม่ใช่ของง่ายมันไม่ยากมันไม่ง่ายแต่คาว่าง่ายคือยากแค่แต่เราเคยปฏิบัติแล้วปฏิบัติให้มันคึง เขาให้มันถึงมันถึงจะเชิงใจถ้าไม่ถึงคุณท่านจะไม่เึิงใจท่านจะไม่ฝ่ายดีท่านจะไม่มีสัจจะก็เสียสัจจะแล้วเวลาตามที่อยากเสียทำผู้ถูกพู้ทายเลี้ยงนัน้นจะหมดโอกาสในเวลาของท่านหน้าพิดาเวลาเหลือเกินตรงนี้หน้าชุดหน้าพิาพจรารณาแล้วอาตา ม, มาเนี่ยสลดไปไม่กระมาทมทำงานที่ยังรุ่งใครจะด่าจะว่าท่างเคขา เขาไม่ดีเขาจึงด่าเราถ้าคนดีมีปัญญาจะไม่โมคนง่ายร้าจะไม่ดา่าใครจะด่าตัวเองทุกวันดา่าตัวเองแต่ขายตัวเองด่าแล้ว ก, วแก็แกแกแล้วก็ด่าชี้ตอนนแน ะ, น, ะแวว น, ำนำแล้วกว็นำนำแล้วก็ปฏิบัติคือนิสิตจะไม่แยงแฉจะมีแการวางแผนผังจะมีมาขมายขาเดินทางก็ดูความถูกต้อง ไม่ใช่มาขึ้นจึมจามจามแล้วจะได้อะไรนะมาน่าคุยกันแค่เปล่าเถ ม, มินทาตาโลยมนเทานามมาชดชามมันเอามีดมาตีหินหเพลลงไปแล้วมันไปไหนมันก็จะทะดินหนีไปแล้วมันก็แห้งผากมันมีอะไรเสร็จเหลืออยู่ค่ะว่ามนทาตาโลมะเทานาพูดไปก็ขัดใจเขาคำเราเบาราคาเยอะทำเดาถับนาคาท่านลดราคางานของท่านเอง มี่เมียกาที่จะปตุ้งจับตุงตัวเองให้มีค่าระคาแพงที่มันจะมีค่ามาได้ท่านจะมีเวลาที่มีประโยชน์ของท่านเองอย่างนี้กันก่อนแล้วท่านจะได้อะไรเวลาถามในชีวิตของท่านบา้บางการสังหเวยผู้ปฏิบัติจะมาถามจะมาเป็นเวลานานบ้างน้งอยบ้างมากบ้างท่านมีอะไรสุดขับท่านมีอะไรดีที่จะเป็นเหยื่อล้างสีลท่านได้มั้งไห การจะเดินทางโดยถูกต้องตามพลองของชีวิตเมื่อไหรท่านได้ยุถีชีวิตหลายอย่างยุทธิชีวิตเคลื่อนทูรับหน้าที่าำงานได้หลายอย่างวิถธิจุดเป็นขั้นเข้าไปจวดมน่งหมายอันนั้นหลายอย่างอย่างเลยนะอยาบละมาศชีวิตจะขาดจะบ้านแลกลานตัดลอนบ่อนทําลายชีวิตชีวิตท่านจะเป็น อาการปวดขนลักกรรมตายล้ทุกขกตุงปฏิการขาอ่าอบายเป็นที่ดัทุกข์กระตุนปฏิการขาทุกขตุเป็นที่ดักจะเอาสุข์กตุหรือจะเอาทุกขกระตุ้จะอาความเชิดหรือหรือหรืประตามได้ถ้าท่านเข้าถึงมื่อไท่านจะตึงสายเดินตรงกรมได้ไหมให้ชาติดเดินหนอห้าพรานให้ได้ยังไม่มีใครทําได้เลยทูหรือ ถ้ทาท่านได้ต้องว่ายืนหนอห้าครั้งตากจ่าปัญจากากรร ม, มาฐานได้มาได้ถึงจะรู้เหตุการณ์ในชีวิตของข้ามจะรู้ว่าก่อแผ่งกรรมนั่นเดินหน้าหรือถอยหลังไปแค่ไหนไปกานใดมันจะอ่านออกมันจะได้บอกได้มันจะได้ชะให้ใช่ไหมมันจะได้เห็นตัวตายเราจะได้คลายทุกข์ทีมจะได้รับผิชอบและได้ประกอบบุตรสอนได้เสน า, า, นานะเป็นหลักฐานสาคัญ เอาแต่ท่านตัวมาดูเข้าวัดอารณ์ตัวเองแล้ววัดจุดที่เลือกระแฉ่งใสเราจะได้ด่าตัวเองตลอดไปอย่าไปด่าคนอื่นเ้าเลยคนดีเขาไม่ด่ากันหรอกคนดีจะมองคนอนแง่ดีเถ้าทุกคนนี่มีท่านดีทั้งชั่วอาตมาด้วยแต่มีทั้งชั่วทั้งดีถ้าคนดีมีปัญญาจะมองในแง่ดีเสมอถ้าคนเลวเหลวไรจะมองคนในแง่ร้าเสมอไป จะไม่สามารถจะมองคนดูก็มีปัญญาอยู่มากแล้วจะมองแต่ตนได้ถ้าตัวเองเนะ่ยเป็นบุคคลตนได้จุดก็เนาะหอยหลังหุ่นครองคือมองคนอย่า ง, ไงลไรหาได้มองคนอย่างงี้ดีมากคนประเภทนี้ทําอะไรไม่สำเร็จจเป็นนักธุลศาสตร์ก็ขาดทุนล้มละลายจีดเล็จะลายความหมายจีดเล็กจะไม่ตั้งอยู่ในกฎเกณฑ์วิธีการของชีวิตอันสุดกล้องแล้ว พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านไตรสวัณิพานนะสอนคนให้มีหลัากผานในจิตเกิดมาในโลกมนุษย์นี้กานสอนให้มนุษย์มีสมบัติมนุษย์ิดโฉมนุษย์กับปฏิลาภก็กระจายมนุษย์ให้มีสมบัติมนุษย์แต่มีกฎแหน—งมรู้การกระทาว่ากับกรรมบวชติครบเรามีมนุษย์สมบัติมาถึงรื่มาเกิดเป็นมนุษย์โศธาผ้าโศธาผืหน้าตาดีดีทุกคนแต่ทำไมหนอทากุศกรรมต่ยแผลหลังในอง ให้ท no no ุกคนให้จึกใจชอมองไม่สามารถจะพัฒนาจุดในคอลงก็กทิ์ได้ตามความหมายอันนี้แน่นอนออกมาอย่างชัดบางคก็มานว่าจะมามาดุยมึงพากับพริบวัดนิ้ใหม่ยืเงปอย่างนี้หนไปย่งันถแล้วสาหรับใจฝึกใจทันเช่นอย่างนั้นจึง้ึุ้ได้ว่าลายใจสูงลางสีให้เราถือแดงถ้า ถือแดงมันก็แดงต่อไปหากว่าชาติมาดูทาสีมันก็ไม่แดงทาอะไรมันก็แรงงันใจทาอะไรก็ไร้เหตุผลสร้างุูสอไม่ได้แล้วคนกระเพาะนี่เรียกว่าภาวะต่ำจิตใจไม่มีปัญญาไม่สามารถจะมีปัญญาสร้างตัวให้เกิดปัญญาในตัวได้เลยปัญญานอกตัวนี้เขาเรียนเป็นดอกเตอรกันเยอะ ปัญญานอกตัวเท่านั้นแต่ด็อกเตอร์อีกหลายคนต้องคุมข้าวของน้ําตามาล้อไห้กับกษัตรย์พ่อก็เป็นด็อกเตอร์แม่ก็เป็นด็อกเตอร์ลูกเป็ยาเจ็บติดลูกเอาดีไม่ได้เลยก็มีมากหลายไร้ปัญญาขาดความคิดมีแต่วิชาตามแต่ไม่มีหลักฐานในจิตใจจิตใจไม่เบลนด์ไม่ไม่ไม่มั่นคงแน่นอนเมื่อตรงนี้จะเรื่องสำคัญสาหรับผู้ปฏิบัติมาก ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเรา ม, มาต้องการแสวงความสุขถ้าจะจิตใจตั้งการให้ดูที่จิตใจเดี๋ยวนี้เสีด ย, ด ย, ดยดาเสียใจด้วยปลูกต้นไม้เอายอดพักเอารากขึ้น ม, มนงอกงิด ม, มาไมัยโบราณพุทธกาลนานมาแล้วปลูกต้นไม้เอารากลงดิลนลดน้ํารวนดินที่ละเดี๋ยวมันก็จะงอกงามออกดอกออกผลที่บานและจะให้เรารับประทาน เดี๋ยนี้เอาน้ำไปลดมันยอดไม้เห็นมันออกดอกไปไยแต่ลากไม่ยอดที่จุดใจจุดใจแลวจุดใจลายจิตใจไม่มีมรดกทันกับประการใดไม่มีการเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ซึ่งการแลกล้งยอดคนไม้ของท่านจะงอกจะหลดจะรอเข้าเมนไปในวันในวนดวันหนึ่งข้าณาโปรตีความหมายทิศทั้งลองเข้ามาใกล้สุดในชีวิตของตนทุกคงจะแปลเปลี่ยนเปลี่ยนรับ จะแปลว่าสนาให้มันหายหายไปนี่หละทัา น, นทั้งหลายเออคือคนไล่บุญวาสนาไปอย่างนั้นบุญไม่มือไม่มีอเดินวัสนาก็ไม่เคลื่อนโผลก็นักรักก็นายนี้บุญข้าบุญเขวียงเลยกรรมฐานจะเป็นบุญข้างบุญในตัวทําให้จิตใจเบิกบานทั้งขาบุญมันเกิดตรงนี้กระตันดูก็ะตันยุติการทม วัสนาก็ช่วยป่วยก็หายป่วยก็หายไปนายก็รักผูกขมับรักใครนิติใจทั้งท่านเองจะเป็นประโยชน์แก่ท่านไมิใช่น้อยขอเตือนพรอย่างนั้นบางคนขาดไปแล้วนาทื่ดายทื่อสดดีมุดในได้ดุขม้นในได้ถ้าพูดยังใหายต่อการปฏิบัติไม่รู้อะไรเลย่ย สอนหน้าถ้าขอให้ทำด้วยความตั้งใจแ้วหน้าสมาชิไม่ต้องไปเอาเรื่องเอาราวก็ะแค่คุณน้อยนอนน้อยพูดน้อ ย, อยทําความพียรให้มากท่านจะรู้สึกนิกตัวในท้ายในเจ็ดวันทำประกอบได้แต่มัวไปคุยกันล่ามเปล่า ม, มัวกันเศร้าซื้อคลุขระแล้วก็อารมก็เสือ่อมท่านจะมีสมาชิได้อย่างไรเหตุที่จุดให้เป็นสมาชิเพราะดังกล่าวนี้ เหตุที่จุดไม่มีเป็นสมาธิมีอยู่เกิดละการหนึ่งนั่งไม่ถึงวิธีสองจิตตกทั้งยำกังวนา ง, งนานกังวลอย่างน้องกังวลอยู่นี่สารับรองท่านไม่มีสมาธิหมื่นประเซ็นสามเหนื่อยมากไปทํางา น, นมันเหนื่อยเยอกเกินจิดท่านจะไม่เป็นสมาธิปัญหายเหนื่อยไม่ลา้าตั้งเพรยุตไม่ได้ก่อนสยุป่วยอาภาษณนัก จุดท่านจะไม่เป็นสมาธิจุดจะอุปาทานใกถึงเวทนาปวดโน่นเมื่อยนี่ปวดหนอปวดมะเรนอะไรทั้งนี้ทุกท่านจะขาดสมาธิ ท, ทันทีถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติได้ท่านจะไม่มีสมาธิเลยถ้าละเตอร์ละคาเตอร์ขณะนั้นจุดท่านจะหายไปสมาธิจะไม่เกิดก็เกิดไม่ได้อย่างนี้อย่างนึง ถอดโทสะเกิดท่านไม่สามารถจะแก้ไขโทสะได้ไม่สามารถจะตั้งสติเข้าไว้ได้สมาธิหนีไปหมดท่านจะทำอะไรจะเสียขาดสมาธิพร้อมหีโทสะโทสะถึงจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านอีกฉากไม่พักแล้วท่านจะไม่มีสมาธิปฏิบัติอีกครับยี่สิปีก็ไม่ไมหยุดถอนมาดานุสงสารการได้ เก็ดอารมณ์มากระทบมีเหตุการณ์นะฟังไว้ดีน่อารมณ์เกิดกระทบสัมผัสเกิดเกิ ด, กดอาบายตาหูกระบอกเรื่องกายใจาเกิดสัมผัสมากระทบอารมณ์ก็เสียดจุตก็ไม่เป็นสมาธิไหนอะไรแล้วท่านจับมืสมาธิมาอวดอัตมาว่ามีสมาธิเรามันจริงไม่จริ ง, รงนั่งหลับตา ก็ไม่รู้คนนี้สมารปัจนานั่งหลักตาอยู่ผลิออกไปโนไปชิ้นใหม่เนี่ยผุิโนเนี่ยไปบ้านแฟนผุิโนเนี่ยไปไปไปไปห่วงผัวตัวผัวจะไปมีเมียใหม่อะไรคำนองนี้รับรออีร้อยปีชั่งธรรมดาไรเห็นด้วยหรือไม่แถ่ยงกันได้นี่ชัดเจนนะติดตัวโทรศัพทถ้าท่านไม่ระงับโทกศัพองสมาธิท่านจะไม่เกิด จะไม่เกิดแน่นอนขาดการกําหนดจุดขาดสื่อคัญญารไหนเลยลูกสมาธิจะเกิดขึน้นกับครูท่านได้เหมือนพระท่านบวชหลับตาฝูหลับตาตื่นมาโดยลูเห่อลูลตายมาต้องสอบเอาลมณ์ไม่มต้องถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ทําไม่ได้เลยไปกันเลยเล่องใจเลยครูก็ไม่รู้จิดก็ไม่รู้ความขลังของของอาจารย์จะการเป็นความขั้นงขอ ง, งลูกศิษย์ เป็นมิจฉาไม่ไดามันคลั่งมันคลายแต่ครูบาอาจารย์ทำได้ก็ครั่งแต่ลูกศิษย์ทำไม่ได้ก็คลั่งเลยก็ออกไปนอกดูนอกทางเอาดีไม่ได้แน่นอนที่ศุษขอปากว่ามีละศุษเป็นขมาที่ไม่ได้มิจุศประการเศรษไม่สงบไม่อยู่ต่ประกาศโยมต้องกําหนดจดจําข้อนี้ไว้ก่อนเศรไม่สงบทํายังไงก็ไม่สงบ ทำไมฝึกมาก่อนฝึกในกัณฐมาที่มีอหยูดเหตุการโจ์กำหนดจดจำไว้ด้วยจิตไม่สงบมีแต่ตาการนึ้นมีไม่พอการเหตุการอยู่ร่ำไปาำจะไม่มีความสงบในครอบครัวเลยสองใช้เวลาว่างเชินไปไม่เอางานนอกการพวกประแพทย์มือวกสุดว่ามันว่างจิตมันก็ไหลไปคู่คู่ตาม ไม่ม ja, <Ha, S 1> <lad> ีเกาะไม่ม <Yeah. S 1> ีเสียต้าวันนีที่เกาะออกไม่มีทุกเกตตูนิคจะล่ฉายะไม่สงบสถานที่สามทำไม่ฝึกถูกเบียดเบียนจิตใจในครอบครัวถ้าอยู่ในหนู่บ้านดูเขาเบียดเบียนจิตใจเราทิกขั้นจะสงบไหมขอถามด้วยความจริงใจในช่วงแต่คนี้โดนเบียดเบียนเกิดจิตวันแล้วเราไหนเราจะขั้นจำอยู่ด้วยความสงบได้ การที่สี่อวัยวะไม่สมร้างด้อยความปกติปวดท้องปวดหัวขาทั้นสีขาตายอวัยวะไม่ปกติท่านจะสงบได้ไหมสมมติว่าท่านเป็นครูอาจารย์ยกตัวอย่างกำลังสอนเด็กนักเรียนปวดปัสสาวะปวดอุจระแล้วท่านจะจิตสงบไหมจะน่าสอนนักเรียนต่อไปได้ไหมอวัยวาไม่สรางด้วยความปกตินียกตัวอย่างให้เห็นอย่างง่ายง่ายก่อน ก็ต้องไปปัดสภาวะซะก่อนไปถา่ววายเจลาซะก่อนให้มันโล่งใจแล้วก็มาสอนต่อไปถ้าจุดไม่สงบเนาะฉันก็สอนเด็กให้ดีเลยสอนลูกเอาดีไม่ได่าเดยกจุดขั้นไม่สงบเพราะ ว, วิาไม่ถูกความไมตกตะกุกตใช่หรือไม่พ่อฮโลกภัยท้ายเจ็ดเดือนถ้าจโลกสามวันนี้วือมันข้าจุดขั้นจะไม่สงบอยู่ในภาวะอันนั้นแน่นอนที่จุด อย่างนี้ต่างต่อพเพกถูกพิงแวดล้อมดึงไปทางชั่วเขาจะอยู่ในกลุ่มคนเลวคนพาลสะ دان บาปดึงทุกวันดึงทุกวันเสาหินตักอย่างนี้อย่างไรมันก็จะโค่นลกันหินตูนตขาวโดนน้ำทาร์ไปเรื่อยมันก็กรอนไป เ, เปรื่อยกรอนไปเรื่อยเห็นด้วยไหมจิกใจจะไม่มั่นคงดำรงขาดท่านจะไม่เกิดมายุความสงดเลย ถ้าท่านฝึกไว้แน่นหนาป่าข้างท่านก็จะสงบออกมาอย่างนี้นี่มีความหมายเจ็ดครอบครัวไม่มีความสุขทเลาะกันทุกวนันสุดท่านจะสงบไหมขอถามด้วยความจูนใจในที่ประทุมนี้นี่ของจริงออกมาอย่างนี้มันจะยาโ้องขึ้นยานี้ขึน้นนะแปดมัวเมาใบยมุกเด่นการพนันไม่พักเดี๋ยวแก้ขืนหวน ห, หาในสังคมตลอดเลยสามสุกท่านจะไม่สงบเลย ในระจำไว้นะจิตไม่สงบมีอยู่แต่า ก, การจิตไม่เป็นสมาธิมีอยู่เจ็ดประการนี้เรากําหนดจดจำไปตีความคิดเดียจริงหรือไม่เสียนวิญญาณมีผลเลยมาบ้างเรียกว่าวิญญาณมีผลชีวิตชีวิตจะแรงแแฉนชีวิต จ, จะไม่มีแปละแผนถังชีวิตจะไม่ตั้งดีดีความดีก็ทําไม่ด่แก่ท่านเอง น, นะมี่อยาท่านมาเนี่ยต้องเข้าหลักนี้แน่นอนในนี้โอสมาธิ หนึ่งนั่งไม่ถูกวิธีสองจิตกังวลจิตอกของวลงานกังวลอะไรบ่าบอก้อตกแล้มานั่งบนกังวลเรื่องขัวเรื่องเมียกังวลเรื่องดูเรื่องบ้าถึงต้องขาดภริโภอกังวลเทียนไหนๆจะมาวัดทางทีเอาดูกลับไปให้ได้ได้ไหมบอกว่าร้องบอกค้าจะมานางเจ็ดวันม่ได้เลยกังวลนี่นี่จอดเลยจอดเลยนี่จิตไม่จิตไม่ก็มาที่เพราะกังวลถึงต้องขาดภริโภอกังวลเทียน เสียกะะมาะอยู่วันที่เจ็ดวันหรือสุดวันเนี้ยตัดกังวลให้มันได้ถ้าตัดไม่ได้ลงเดินโยกลมขวาอย่างหนอกายอย่างนอหรือว่าปู่อยู่บ้านไหนอวานอย่างนอซ้ายอย่างหนอลูกปูไปโรงเรียนหรือไม่นอขวาอย่างนอซ้าย อ, อ, อย่างหนอล า, า ง, าางาค่าปู่คนแม่บ้าไหมหรือเปล่าหนอ หรือว่ากลัวเอาเงินไปให้เงียนวนมาลิบเหล่าหนอหมื่นตีก็ามาได้นีเห็นด้วยไหมคัดแ้่จะพูดให้ชัดในวันนี้วันจางเดือนแล้วแสนเสว่างเช่นกันลอยอยู่นุภากลางเดือนและแก่นใสท่านจะแก่นใสหรือท่านจะมืดก็แล้วแต่ท่านแหละนแล้วท่านจะใช้ปัญญาในตัวมั้งไหมท่านเหนื่อยมากมันทำเหนื่อยรู้ตัน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 คการปฏิบัติําฟังจำเอาไปใช้เกิดจากบุญศึกที่ไม่ต้องมีตัวหนังสืออ่านคนที่ไม่อ่านหนังสือมีตัวนั่นคืสมนัดมันจะฝูกขึ้นมาบอกแล้วกระจดหนางสืจดแล้วจําจำแล้วจดไว้หนังสือเหนื่อยมากสมาธิไม่เกิดทวยอ า, าพา เป็นโลกมาเลนปวดนอนปวดนี่แล้วท่านจะมีสมาธิไหมจิตก็ไม่สงบแถมสมาธิก็ไม่เกิดาไม่เกิดถ้าลาคากเกิดอันนี้มาต่อที่ใบนะลาคาแราว่าไรไม่ต้องนะเราก็โตกันแล้วใหญ่กันแล้วรู้กันแล้วลาคากระชั่นไม่มีสมาธิจิตท่านจะไม่สงบเทีคู่กันถ้าคิตสงบท่านก็มีสมาธิ จิตไม่สงบไม่มีสมาธิทําไมมีสมาธิจิตก็สงบไม่ได้เตะโพสะจิตไม่สงบแถมไม่มีสมาธิแถมเร็วลายออกไปหายใจก็สั้นหายใจใมันยาวโกรนอะโกรธนอผู้ปฏิบัติไม่เด็ดคาตรงนี้จึงไม่ได้อะไรเกิดขึ้นปล่อยให้มันผ่านไปเสียหน้าพิบายน เลยก็มันก็ย้ำเข้ามาฝึกในใจิตใจเราตลอดปีและตลอดเดือนตลอดวันอย่างนั้นหาได้มีสมาธิจิตภาวนาไม่ในระเอารมมากระพับเข้ากัาบโบดนุ่นไปเลยกรพบไม่ได้เหมือนอย่างลูกไข่ไข่ไปไข่ตายก็พบมันก็กองแตกกองเป็นไขหหินกองเป็งไขหิ น, ห น, หนอดทนอดง่านอดออมไปนี่ไปยอมยอมฝึกมากมาผิกวัด แล้มต่ อ, อยานที่โผล่เข้าไปวัดอื่นวันนี้ไม่มียานมือควราถามม้องก็คุณมนมองขอครับมียานดีนะโลลวงนาเออกูเขาเลยเออเเลกันเลยวะครับเขาเลยครับเพราะว่าไม่ียานทีวีไปไปไ ป, ไปสัมภาษณ์กูก็ไม่เห็นมือยานอะไรวะลองพ่อคุณทํำไมันในสอนธรรมะพวกมึงไม่มไมไมง้งจริงวะมันมหาธรรมะลึกล้าวะมันมาให้กูเ้าะหัวมัน มันได้เคยมาหาธรรมะเลยเนะ่ยกูก็จะมีธรรมะอะไรให้ ม, มนะันกูมีธรรมะอยู่เต็มเปล่าจนกระเป๋าของกูเองแต่มึงมาขออย่างนี้กูก็ให้อย่างนี้าปมึงมาขอธรรมะมั้งมันลาวเลยม า, านอนจะให้กูเอาไม้เคาะหัวมึงแล้วมาขอปัจฉะกูไปกินอย่างนะั้นมึงเคยมาหาธรรมะ ม, มั้มงนี่จะพูดจนะังกูไม่มียานหรอกออกไปวัดอื่นกูมียาเหมือนซุ้มมึงเนี่ย ตัมึงเนี่ยยาญยามืทุกคนมียาฉะนั้นเนี่ยเนาะาก็ถามอยู่มันก็คุณยาอย่างไรผมไม่มียาละมึงเออมึงยาญยานตอนเต้ทุกคนถอนเเหมือนมึงเนี่ยตูมียาอะไรไม่มีเรื่องจริงเอามาเรื่องจริงมาพูดอย่าเบี้ยวยาเบี้ยวเนี่ยจะไปหายาได้ที่ไหนล่ะฮึหน้าจะรู้ฉิเขาไปฉิมโกดธแทนกันว่าเรามีกรรมอะไรทําไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้มันจะท้องอะไร ก้อนเนี่ยังวนทำไว้เลยจุดไม่สงบมีอตายพ่อจุดไม่เป็นธรรมทุกข์มือเจ็บข้อนีได้จักรมาฐานทั้งหมดแต่ใครจงนี้แล้วก็ไม่สงทำเนี่ยไม่ฝึกไว้ก่อนเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตเลยนะเพราะฝายญาติโยมไว้ในที่ประชุมนี้ด้วยกรรมานึกดณฑ์ทำกรรมาฐานไปมันจะออกมาไป็นตันั่งเฉยเนี่ย อามันถ like, we we so ือไม่มีตัวมันจะบอกเองนะพรุ่งีหัวหัวจะถามพงนี้เราจะชนมีเลื่อไหนมันบอกเราไหมมีเรื่อไหนมันบอกเราไหมไม่มีบอกแลนะจะบอกให้นะท่านรองอายการสูงสุดขาปฏิบัติที่นีมาไปดูฝึกลาวตองแส่ท่านเป็นเด็กลาแต่งานตมาก็ไปชุวันพอเดี๋นี้เป็นองอายการสูงสุดแล้วเนาะในชายวัดเจอศีราสวัสดิ์บอลงพ่อครับผมมีปัญหาอยู่ห้าขออ รอให้ท่านนายกการชุ้มคือก็แก้มาดัทั้งกามเมืองตามบ้างภาคประชานมีห้าข้อครับผมยังไม่บอกของพ่อผมจะลองมาแก้ดูเอารวท่านนายกการนั่งเลยนะอย่าไปพูดกับใครเลยนะเอาตามนี้๋ยจะก็อบอารมณ์ให้นีจะสอนให้เดินอย่าไปพูดกับเดินก็นั่งนั่งเดินสามสี่วันเขาก็ดาบจบห้าข้อแก้ดูหมด หนังถือมีตัวอะไรผู้กระท่ำควรจะเข้าใจคาพูดที่ไหยทุกคนเนี่ยที่พูดเนี่ยเข้าใจไหมหนังสือไม่มีตัวอ่าหนังสือไม่มีตัวคือประชบประการกัรชีวิตกรรมาฐานเหตุกรรมที่คอหกักคนที่ยืนถือตุลามหนังสือมีตัวเยเหรอ ม, รมันบอกได้หลยพอแทนกรรมมันจะผูกขึ้นมาดังที่นั้นที่คือตุลาที่อยู่ถ้าท่านจะมรณะผ้ า, าต้องตายลดผลพ อ, อหากตายอดตมไหม่ ให้สมคอมพิวเตอร์นี่มันกระเที่ยกมาเมื่ออยู่เมืยอเามไปหักคอนน้องไคหลายคนดูแทนที่ถ่ายทางอากาศ z o m แทนที่ถ่ายได้ให้น้องหลายนู่นี่หนังสือมีตัวแล้วถ้าท่านมาซุมซิจามจามเนนจะให้ด่างว่าบางคนก็มาถามมานจะมาสองก็ค้าั่งคืนวนผัวจะกลับบ้านพอมานั่งแลกกนเรือเนี่ยมันมีทูตุยสกลนคร ผัวหายไปสามปีสี่ปีแค่กลับบ้านลูกมีสามคนจะมาออกที่ครอาจารย์สอนโรงเรียนพอผัวแม่ผัวขายที่ยาเป็นร้อยล้านแล้วก็เอาตังไปหลายกี่ร้อยล้านมาดูหายไปเลยเข้าใจว่าไปโดนคนทุบกายร่างหมอดูก็นอนผ้าประมาทายก็ดูเพื่อกันดูนะหมอตายเยอะ พอแม่ทำบุญให้แล้วเจ็ดวันให้แล้วทำบุญรอวันแล้วเรียบร้อยแต่อาจารย์คนนี้เดินทางมาจากสกลนครนะกลับ ม, มาถามที่วันนี้ของทางบอกนี่เราถามเองนะนี่เดิน ก, ก็ประมาณนึ่งชั่วโมมาได้ยุ่งมันจะรูนะเดินอย่างนี้อย่างนี้เดินหน่อยอย่างนี้ น, น, น, ออนี่แล้วก็นั่งนหนึ่งขั่วโมอย่างตามอาจารยัดกระถือยื่นกระถือว ตายให้มันตายจะได้รู <oben> <c ười> ้เรื่องการเรื่องให้มันถึงซึ่งให้มันเข้าถึงเลยไม่ได้ซึ่งออกมาถ้าเข้าไม่ถึงทําความดียังไม่ได้ขับนไม่ได้ขับนแบบโบราณท่านว่าไวายกามฟังคาเทศจําได้มาจนวันนี้มาเป็นเด็กจิตวิทย์ผู้เตี้ยฟ้าทำเทศมือห้านต้องมือเขวะนะมือหือต้องมีผมผู้หญิงต้องมีนอมผูหนมต้องมีข้าวไข่ต้องมีอบานบานให้มันถึงชื่อทาความดีมันถึงขั้น สมาจัมได้มดไปเด็กนั้นยยังคู่ทื่อเดยวไปสอนลูกมางทีงมันจดมันจำมันจำมันจดถึงได้น้ำอย่าด้งดมันจดมัน จ, จำไปจำมาที่จดมานี่อยู่ประถมสองเนี่ยพ อ, อ, องมาออกประถมจยาได้หมดคุนมาพิมพ์หนังสือพัฒนาคำคอสอนฝึกมารยาพัฒนามารยาไทยให้สอนคงไปเชางมหาวิทยาลัยนี่จาได้แค่ประถมส อ, องงานสุดาหมาก อย่างนี้เลยก็อาจารย์คนนี้แผลไม่ตาไม่เชื่อใครอย่าไปเชือ่อพระมาดูย้อนผู้หญิงเนี่ยสัวสําคัญ น, นะลาลูกสาวจะมีผัวไปหาพระวันได้เดือนถึงแต่งงานลูกเลยเงอที่สดนลับมาถามดูมันคือว่ามันมันจิตใจมันเข้ากันได้ไหมายาสเปคเดียวกันไหมใครเกินเดียวมันไหมค่อยแต่งงานกันแนนยี่เดือวนี้แต่งเช้าเจอเช้าแต่งเย็น ได้เย็นทิ้งเช้าไปเลยนะขอฝากแม่บ้านไปด้วยอย่าทำอย่างนั้นอย่างงเอาวันเดือนตรีไปให้พระดูวันเดือนตรีโรงมันตรงโอ้ได้ผัวได้นะลูกเขยก็นี้เป็นเศรษฐีแน่เลนะยแต่งตามา ย, ยังไปชยังตอและสามตรีเจนสามีจนถ้ลูกขาววัสนาไม่พอถ้าลูกขาวสี่สิบตะเช่นอย่าแต่งนะแต่งเช้นสุกหลัก เอาอยัางไงนี่ก็มาถานแบอบกยังทำไม่ได้มาถึงขั้นนี้เลยจะทำได้อะไรจะเกิดผลเป็นประการาดที่เพรอหัวาลาคือตัวสติอยู่ในสุวรรณนาท่านพระทลัรามเนี่ยคือตัวอะไรไอหานุมานคือจกิตรับภาษาไม่พักไอโทษกรรมเป็นยักษ์มันไม่เป็นตัวของมันเอาหัวใจไปฝากเะเลสีไอเเลสีน่างูคือพระรับฝากของชาบ้าง อธิ ก, การหน้าโง่ยี่สุบเศียญยี่สิบก่อนก็ต้องตายเพราะไอ้หันมานเอาเดวงใจบีบให้ตายท่างหน้าตอนหน้าเบตต์อตอหน้าพระลามาทิบดีทระนรลัยเห็นไหมมีทั้งสุบเศียญมีทั้งจิบยี่สิบก่อนมีตาตยจนเยอะแยะทำไมมาแพร่มนุษย์นะแพร่ลิ้นลิ้นนี่คือตัวจุดธิ์ของทานมาก จุดนี้คือฮนุมานลูกพาพายชุลมงไม่มีตายจุดไม่มีตายอมตะแต่ร่างกายทั้งขาทั้มทั้งตาทุกคนในมาด้วยไม่มีใครรอดตลอดใคร ล, ล่ะแต่จุดแปลว่าไม่ตายเราไปสู่รัฐามที่ตนทําไว้ดังกล่าวแล้วซึ่ดียวกันนี่เหตุผลนะฟังเหตุผลและผู้คนออนั้นก็นางแผ่ไม่ตาให้สา ม, มีไม่เชื่อว่าเผัอตายแต่พ่อผัวแม่ผัวทำบุญอย่างนี้พระมาดูนะหลังมาดูนะ ไปหาให้ให้เหวไปรัชกาลกอหามาดูในตัวเนี่ยขัตติยเนี่ยมาเป็นที่เพรู้จากไหมอาภูย่างนีิยมจะไม่เข้าใจใช่ัหงเนี่ยคือเพรย์ขอลาหรือว่ารัชกาายักษ์ตนได้จะยกมาในสนามยุทธนามจะได้บอกบอกสุดจุดบอกว่าอะไรว่าไม่ควรยกกองทักนี้ไปไทยก็จะตายขัตติบอกว่าชุกระยะเดี๋ยวจะต้องตายวันพุ่งนี้มาเลยนี่นะ เอาอยัางนี้ไปใช้หน่อยได้ไหมลาวพวกอามาฐานที่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยเพราะทิ้งอริยบททิ้งหูตาจมูกลิ้นกาจเจ้ไม่เคยกํห า, นาหนดศาสตสงไม่เือจนในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยตุกาก็ง้างกับเดินกับยอมยอมจะไม่ใหญ่เลยจะไม่ได้แน่นอนนะเพราะฝากไว้สมาประสบมามากแนละ้วขอมาสีสิบกว่าปีแล้วอะไรเป็อะไรเราก็รู้เราเรียนมาหมดทุกอย่างเนี่ยมาไม่ยุติธรรมตายเอาอยัางไง สมาหังผู้หญิงชายใจขวาทำมาได้ด้วยมเพนกระชินเขาชาต่อข้างพาอย่างนี้เฉลยศาสตรเลิกหมดแล้วของไม่จริงทิ้งไปหมดเหลือแต่ความจริงของชีวิตแหล่สามห้าหลูกน้ำเป็นอารมณ์แล้วอยู่ตรงนี้เป็นของจริงนอกเหนืจนอจากนันของปลอมนะั้นของปลอมเนี่ยมันสวยกว่าของจริงมันขูดที่โน่นมันชาที่นู่แหวนเพชแหวปลอมแล้วก็ไม่เข้าตาแสบเสือใส่าตา แขวางเทปที่ไม่กลอมมันจะแวบแล้วมันจะชื่นหัวใจแสงมันจะไกลแสงไกลเหมือนตัวเราได้แสงแห่งความดีเช่นนี้ขอฝากท่านทั้งหลายไปดูความคิดเห็นดูในเวลาสมควรเนี่ยเพ่ออาจารย์หญิงคนนี้บอกนองพ่อหมูตัดกมลได้เพิ่งทำมาซื้แน่แต่ที่ของพ่อพูดหมูไม่กวลกับสามีแล้ว ตายขาดซะแล้วไม่กรวนแน่หนูมีแต่สมาธิมีสติเลือดจะตั้งใจเลี้ยงลูกสามคนเนี่ยให้เป็นใหญ่เป็นโตต่อไปให้งได้ตามที่หลวงพ่อสอนพวกหนูทําได้แหละแทไม่ตาไปเลยแทนคนที่สอนไปถึงสามีจะอยู่แห่งหนตําบนใดขอให้สามีปลอดภัยในโลกมนุษย์และสามภรรยาพบใครเบื้องหน้าสจะตอบไปถึงสามีเลยไม่ต้องไปในชาติหน้าแล้วทําบุญก็เห็นโดยนี้ ทำบุญทำไมโดยสร้างความตั้งใจไว้มันจะไปเอาชาติไหนชาตนี้ก็ไม่อาชาตนามันจะได้หรื อ, อพรปากมันย่างดูดีแตมาต้องพูดแรงเนี่ยขอประชามาไัยนะคอมันกระเจ็บแล้วมันเสียงมันไม่มีต้องตะเบงเดี๋ยวยมจะหาว่าเราพ่อดุจังเลยมาดูแล้วไม่ตะเบงเสือมันไม่ออกเข้าใจไหมเจ้าค่าตงต้องตะเบงหลวงพนก็บอกหอวงพ่อดุจังเลย ก็ไม่ดูยังไงอย่างไม่พูดอยางไม่ไม้กระแทกเสียงมันจะออกเลยเข้าใจคันนี้ไหมคะโดนบันดาลของภรรยาที่ไม่มีกังวลประมาทเกิดโดนบันดาลโนเมตตาและอุทิศุงิรองให้สามีถึงกันทีก็ปรากฏว่าสามีได้เงินแลหอเพื่อไปทหารเข้าไปเมืองกับูชาใร้จ้างบริษัทญี่ปุ่นปนไทยแล้วก็คมบูชาเขากุนด้วย รวยมาสารแต่ออกไม่ได้เขาเหม็นแมวออกเขาเหม็นไม่วออกมากอเอาไว้ในนั้นฮเลยก็นั่งพิจารณาถึงภรยาภรยาแผ่แม่ตาเห็นหน้าภรยาทุกวันก็ทําให้ไดสมองเขาไม่เกิดปัญญาจากภรรยาใครเลียงขาวได้สัตว์เด็กดวนนี่ภรยาอุทิศเพื่อให้ถถึงเนี่ยพอทั้งคู่ภรยาก็ไม่ทราบวัวอยู่ที่ไหน เห็นหน้าภรรยามานางเผดมนภาวนาอยาจะต้องเอาเงินออกมาเอาเงินส่งมาบ้านไอ้ขมิ้นนั่นก็ไม่ส่งผานาธนาคามันก็ไม่ผานทั้งหมดเลยขายโดยสัพขายยังไงไม่เอาเงินดอลลาร์ใช่ไหมขายญี่ปุ่นกันจีนเงินกัมพูชาพอขายได้แล้วทํางานทําไมจะกลับได้ขมินต้องส่วน ด, ดานเลยภรรยาเนี่ยก็แผ่เมกาไฟก็ไม่ใช่ทั้งที ขอห้สามีต่อไทยมือโชมอชยตลอดไปเท่าเือนเพาเงนเลยก็เปิดมืปัญญานมาอเนห่อสมสีชั้นใส่ไอ้กระชุแล้วก็เอาผักมั่งเอาข้านมมั่งอยู่ข้างนอกเงินดนลายัยัดใส่สร้างเขมຈหับสร้างมหบอามงไอ้ก็ม่ว่าเียสตงนเลยเงินดลานั้นเหับมาถึงด่านเม จะไปคุยให้จะตอนขนมบ้างอะไรบั่งบอกอะไรไปเนี่ยก็สงไปา้าภาษาังกฤบอกบาาบอปลาเนี่ยผักแกขนมแล้วไปแจกท่านที่นงนชายแดนเลยก็เรี้ยงออกชายแดนมาได้ถึงบ้านสกลนครทันทีพ่อแม่เนี่ยก็ถือมาแล้วถือมาหายามไม่เสื่อพ่อแม่ก็โง่ไปหาพระมาดูบอกท้ายแล้วเนี่ยตายแล้วกลับแล้ยบาทพี่ช่วยเลี้ยงดูงกอย่างดีตลอดมา ยังเริงทองก็ร้างบ้านซื่อทู่ชื้อไรว่าสกลนครและทำมาจอดสขึ้นมาลุยฉบัดเลยลอยฉบัดรัวเนี่ยรัวฉบัดไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยรัวขบัดนะนึกรัวชฉบอกโดนโยกไผ่ฮะเลยก็ลามเลยทุ่งสกลนครหนองคายเลยเกันมากันใหญ่เลยหองพ่อครับงาทีวานหัวจะกลับแล้วหัวไปไหนอ่ะหัวไปมีเมียน้อยนานครับ สิบปก็เม่ยมาเอาไงคนละเลื่อนกันเลยเนาะคนละเลื่อนกันแต่เรื่องเลี้ยวเรื่องหัวมันการแตกพละนลายไม่ใช่ลายนี้ขอฝากไว้เรื่อยนี่เรื่องจริงทุกวันนี้หลับเนี่แล้วก็อยู่มาไม่ชาพาสา ม, มีมาที่นี่เอาของมาถวายมากมายไก่กองบอกว่าไปไงมาายสา ม, มีก็ตอบว่าลําบากจริงๆนะพ่อ นี่แหละผมนะมาอยากแทบจะกราบเท้าภรรยาหนึ่งว่าอุตสาเลี้ยงลือดได้ยืแล้วก็แผนเน่เมตตา ม, มานั่งสมาทานที่วัดหลวงพ่อ น, นี้ตลอดชายชานไม่นั่งนะเขามาที่เองนะเขามาด้วยความฝันมาฝันมาที่วันนี้ฝันมาที่วันนี้นะเขาบอกว่าเขาจะแก้กรรมได้หรือเขาฝันเขามาเองเนี่ยเขาก็เดินทางมาคนเดียวเป็นครูโรงเรียนแต่จาม ความรู้ปัญญาโพเขื่อนมีเหตุผลเกิดขึ้นที่แบนี้ชัดเจนนะคุณได้การสําสรกขึ้นมาจิตไมส่สงบมีบมแต่จิตไ้าไปสมาธิมีจิตหลงแผลในมเมื่อจิตไม่สงบอย้าสมาธิทํายังไงมันก็ไม่เกิดสมาธิแหละเกิดจะวุ่นวายยุ่งงั่งยินดินวายยุ่งนงั่งยุ่งวุ่นวายอย่าเให้เบื่อนายในการนั่งสมาธิทำให้เห น, นนะหหหือออกจากสมาธิไปเลย เดินวุ่นวายตุ้มใายหญ่กำหนดให้ได้ก็หอบเพียกลับบ้านเลยพระอาจารย์ทีสอนเขาบอกว่านยานหอบเพียรแล้วพยายามจะสำเหร็จมาสนแล้วเลยต้องไปถามตัวมาถามตัวมาใหม่เขาก็ไม่มาแล้วเห็นว่าเป็นยานหอบเพียรไปได้แต่ถึงตอนนี่ที่จะไปเนี่ยพระอาจารย์ก็ต้องดูลูกศึกอย่าให้หนีออกไปได้ถ้าสติพระเสด็แสดงว่าทำผิดทางแล้วทำผิดทางต้องควบคุมตัวไว้ก่อน ให้ทำให้ถูกให้ได้ถ้าทำถูกแล้วก็ปล่อยกลับไปจะเรียกว่ายางหอบเตี๋ยได้ยังไงมาแก้ตำราเตือนของระพุตระจาวไปเพิ่มเติมของระพุตระจาวได้อย่างไรเนี่ยขอฝาก พ, พี่นออ้อ ง, อ, อ, งนองไว้ที่คนในละมือมีอวัดฝุดไม่สงบฝุดไม่เดชะทุกขเพราะดังกล่าวมาขึ้นดุกันเนีย่ยโยมเนี่ยป่ า, าปัจจัยมันจะจืดเนี่ยบอกแม่ก็หลงไปเข้าฝันเข้าฝันยังไงแล้วก็ไม่จะพูดกันนะ รลงวงคือราวไว้วนียโยมปัดจมาโยมขมอนอ่งไงชาวใต้เนี่ยโยมมาให้เราจะเชื่อเนี่ยนะสะะมาจะพูดให้ฟังถึงมาจังหวัดเชียงรายนี่ดูนะฮะโรอปกดหัวตายเรื่อกกงหัวนี่เรียกยกิงยาตายก็ไม่ขอล่ามากเวลาจำกัดนะเอาก็โหลกไผ่มาเดินเดินไปปาก แม่สาวสวยผมยาวตบแก้วเพ่งไ้หนึ่งได้จังหวัดเชีงยงราน้อยไปแธเนี่ยแค่ผัวนิยงที่ผัวเธอเนี่ยคือว่าไปตรงลูกสาวเพื่อนของอ่าเพื่อนของลูกสาวถ้าเข้าใจว่าผัวเธอเนี่ยไปได้คนนี้ฮะนี่ยให้จูบบ้านหมันเนี่ย แล้วพ่อแม่มันตายหมดแล้วมันก็เป็นเพื่อนกับลูกสาวลูกสาว ก, ก็จบปัญญาโทจุฬาพ่อบ้านแม่บานนี้ก็ไปช่วยส่งเรียนคู่กับลูกสาวยล้ปูกบ้านเนมันหลังนึงแล้วคาเป็นละล้างทุงเทิดรู้ถึงแม่บ้านก็เข้าใจว่าจะไปได้อ้คนนี้พขาล้อกันบางแต่เพื่อแต่ขาดกินยาตายสาวที่สวยน่ารักจบแก้วประเด็นเลย น้อยใจเธอเนี่ยถ้าเราฉันมาเดือดร้อนยากของเธอฉันก็ไม่มาช่วยเธอแค่นี้กินยาตายจะยังไงลูกเธอสามคนก็สําเรือดเป็นยาไปหมดแล้วมีเวลาสาวของคุณเทพหมดแล้วทําไมยังไปกินพูดไม่ออกจะบอกผัวไปมือเมียมาว่ไม่ใช่รู้ไหมว่านางสาวคนเนี้ยเพื่อนลูกสาวตัวเองมาก่อนนี้มาช่วยช่วยผัวเธอมาก่อนเนยเธอผัวเธอก็ต้องไปช่วยเขา อย่างนู้จะไม่ใช่หมายสามีภรรยาเธอละปากเขาได้ั้มแต่เขามาเลยหยับพูดอย่างนี้ได้ไหมได้เขาได้เอาเราจะไปละแล้วเดินออกประตูเดี๋ยวเดี๋วเยวมันมีอนสงขารอยู่ไหนเนี่ยเอาละเราจะบอกเจ้าคำเดีย่ะเราอยู่วัพรวังทุทธบุรีไปถามเอาเองแต่พูดก้าหลงเดีหายว่าไปกับจาเลยไม่หยดถอนะย่ถือนงเพราะกับจ่านแทบน่าไม่กองบริโภคทีทมาดาได้ พอแกคานี้มีูว่านี้นายาลวงไปเข้าฝันโยมเนี่ยฝากั้งมาแล้วหนูมีฝากทางมาให้ดน้อมเรื่องนี้จังหวัดเชงรายเลียวจะมาดูไม่ช้าเราไม่รู้เรื่องนี้เขาเอารถตมาตามมาถึง บ, รบุรีรัมย์สุวรรณห้ยถามเรื่อยมาบอกลักนี้มีชื่อแม่ตาหลวงไมแล้วก็บอกไปดูเาเองเขาจะถือไนะ อย่าวิชาและอย่าสู้แต่ประการได้า่านี้ก็เป็นเพศอะไะ แ, แต่บ้านคุณเนะี่ยเขาเป็นญาต ก, กับเขามา่อคั้งอดีตทำไมเป็นญาติทางเด็กเขาจะไปช่วยทำไมจะลงกดแห่งกรรมก็หน่อยดูมาประชาสามีมาบอกพ่อจะลงเลยพ่อผมยังอยู่ดูตาหิตฟ้าแล้วยเขาเรียกพ่อเลี้ยงแต่จะไม่ออกชื่อออกู้อเอ้ขาบอกว่าเนี่ยผมยังไม่ยาชีให้ตลาดในถึงนั้นตรงนี้อุกพ่อเขาจะยกฮั่ข้า่ รงกรแทงตามไปตามความจริงถูกต้องว่าหาว่าผมเนี่ยไปจอชู้ไปชอบครับเพื่อนลูกสาวแล้วถ้าพ่อผมรู้มาลายสมบัติเขาจะไม่ยกให้แต่พ่ออย่าลงเลยจริงไม่ลงแต่ขอเล่าได้ไหมอย่าไม่ออกื่อให้รู้ว่าอยู่จังหัดชุงราได้ครับขออนุญาตก่อนนะเดี๋ยวจะมาเกินมากรองลราครับขอฝากไว้เนี่ยอยากชิงรองเรื่องจริงมีมากกว่านี้ แต่ขอสรุปใจความไว้อย่างนี้ไล่เลี้ยงหนอ่งเนี่ยได้เฉพาะสมาชิก ส, สุดมั่นคงได้แต่คุณชาลีอุนทรบุตรทุเรศทุเรศเป็นแห่งชาติแต่งเพลงเก่งมากแต่พระยาสูญหายไปจนไม่ทสราบจนที่นั้นกำลังแต่งเรลงอยู่กลังแต่งเทรงอยูแ่แน่น อ, อกแน่นมาก มีนังสือสวดมนต์ว่าสุวรรณอ่นกระเป๋าเขาสวดทุกคืนเรื่องพระูุ่มาตาเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามาบนจะพระอย่าแจกให้นงินหนังสือแจกเอ็ไปทิ้งนาพุทีหมดสกุลนี้คงไม่มีบิญอย่าให้อย่าไปแจกพรตกองการที่จะให้เอาไปชิ้งกันเนี่ยตามมาตามทุกโตที่คนไร้บุญวัชนะอย่แจกนายแจกคุณชาลีอินทร์ลวศิษจะมากันเยอะยทั้ง ผู้กำกับหนังพวกดารามาเข้ากรรมฐานเยอะล้วว <days> ันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวภรรยาเขาลายเขาจะมานั่งกรรมฐานด้วยอันนี้ก็จะไม่ขอกล่าวชี่ิเขาแต่ชาลูยิงชาลจุดบอกว่าหัวใจถูกตันมหัใจเนีรยแกนเลือดนั่นแล้วหมอหมออยู่ให้การก็ดูแล้วบอกต้องส่งโรงพยาบาลเดี๋ยอ่าจะไม่ชันถึงโรงพยาบาลต้องตายแน่ตาย คือเส้นเลือดสายทรใแตีหมอตาตาต้องไปผาหน่องสองแยงเข้าไปนะวัวนี้เนี่ยอนส่งเรามีบ้านใหญ่พาชาลีก็บอกอยู่ในรถบอกว่าพ่อหายใจไม่ได้แล้วหายใจไม่ได้แล้วผมก็นึกตัวเองว่าไม่ทำถึงโรงพยาบาลแน่นอนแกก็ตาสูงใจสั้นงช่ไหมถก มือตามหัวใจว่าจิรใจชอบพักวารังสมาริมือช็อกวิจารยานนท์สกตระพรวิชูไม่ต่อหาใจขายใจไม่ได้อ่อพาหุมมกาจอดทับจิตใจติ๊กโง่บอกว่าหายใจโล่งเลยนั่งได้ทันทีนายชาลูอินเทวจุตเจที่ไหนถามดูนะนักแสดงเพงเก่งมากเลยก็พากันดาราทั้งหญิงและชายที่จเป็นแห่งชาติมาที่วัดนั่งกามาถาม บรมพ่อครับผมขอกราบท้าหลวงพ่อในวันนี้อย่างสูงยิ่งช่วชวดชีวิตผมผมสวดแล้ะผมบอกหลวงพ่อจะร่ำช่วยหลวงพ่อจะร่ำช่วยนะทําไม่ช่วยตายเมื่อเปหมายไปคนแล้วผมจะไปหายไปคนเลยเนี่ยฮนีพอสวดแล้วมือตามหัวใจไนวะ้ตามหัวใจไว้สวด น, นี่ทําไม่เกิดสติสามะถ้าไม่เกิดชมาธิตายให้ตายบรมพ่อชีวิตบ้านกลางชีวิตเราผมจะท้าจะ ผมจะเกิดผิดนะมีทาบุญเกิดผิดก็เอาหนังสือมาให้เกดจิตสองเลยก็ตวดตรวจได้หลวงพ่อเจรานช่วยหลวงพ่อเจรานช่วยก็ยืนดีชอบมากกว่าหลังมาบนงวิชารามโนสุโตร็วมิคูว่าเข็นเพื่อห้หลับตาได้คนตะคองไปบอกว่าคุณชาลีตั้งตาตูไห้ชาลีตั้งตาตาเปมิดทำไมเออผมตรวจมอช้นตรวดมนตรวจหายอยู่ทหมอที่คุณไปบอกให้จะไม่หลอ ถึงโรงพยาบาลใหญ่ตรวจไปอุ้มชาลูอุ้มทัิจิตก็บอกอาตมาว่าหลวงพ่อขอเรียกหลวงพ่อช่วยแล้วตรวจหาใจไม่ออกหาใจไม่ออกแล้วก็วเกือเมื่อวาน็ทีแมตัวเลยดที่เีที่ขวมากมาป็นคล่ล่องเลยห้ใจออกเลยนี่นี่ตรงนี้แล้วบางคนเนี่ยจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาขึ้นยิ่งยำทําโยมจะหายอย่างไร จะหาได้ยังไงคือขาก็ะลงพ่อถืวแผนไม่ตาให้หน่อยแผลก็ไม่ออกฮก็โยมรับไปได้โยมหม้มัตตารีหมดไฟแผเต็ดไฟไม่อยู่แล้วเต็มไฟไม่อยู่แล้วไม่มอ้มอหม้อมัตตรีเสียแล้วช่วยไม่ได้ขอเจรินพอรอย่างนั้นนี่แหละถูถูมาปฏิบัติธรรมก็มีความหมายอย่างนี้ขอเจ ร, ริญพรไว้ ผลตวจมอนเนี่ยส่วนจริงจริงหน่อยส่วนไม่จริงนะตรวนแล้วจะทุ้มทิ้งวงกงว้างไปไม่มีทางได้มันมีเรื่องยกตัวอย่างอยู่มากมายอาจะเป็นคารวาหรือเป็นตาจิตสงฆ์จะทําได้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างกล่ารจิตจะสงบตลอดจิตจะเป็นสมาธิตลอดเวลาการเพราะมีหลักฐานนั้นพิกาวมาที่อยู่ที่แกนแดงนี้จิต ส, สงบไม่มีบุ่นวาย ศาสตรีพกน้งวนทุกคนนะั่นนี่หนมาอยู่แล้วไม่เชิมาวันเดียวบางคนมาวันเดียวไม่ได้เลยเลยพอาโดนกระทบหน่อยหนึเลยกราบเลยเนี่ยมีหลายลายลูกปูดีมีมีศักไม่มีความหมดทนเลยเขาก็บอกเนี่ยตรงนี้ทิ้งไม่ได้มาโศกโศกเท่าเนี้กราบบ้านเลยเนี่ยยานหอบเื่องโดนกระทบเนี่กราบเลยเขาเพื่อเตรีงเพื่อหวังดีมาจะเตือนให้เป็นคนร้าย ก็ฝากว่าคนไม่อดทนเนี่ยมันต้องมาทำในกระถางมันต้องอดทนไม่ได้ปวดหนอปวดหนอก็ยังปวดไยาเลยแล้วกําหนเป็นถึงสร้างสตไว้ดีเปิดปวดหนอเข้าถึงทำมายังจะเกิดขึ้นตั้งหูอ่อยู่ดับไปเวทานามันจะแยกออกไปจุดจะไม่มาเป็นอุปาทานยึดมั่นดูในจุดนั้นถึงจะเป็นชนะตรงนีเขาฝากไว้เลนะไม่อยอมไปวันนีอ้ออกว่านี่เป็นวดฟูพรามไปฟังพระเทศกับพูด ถายอนข้อบฟังกับชอบพูดอย่ามาวันนี้เสียเวลาปฏิบัติไม่พูดแต่คุยพูดได้แต่บรงอยางจะไปคุยเท่าความหลังพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เอามาพูดทําไมใจจะไวใจใจยะบาอย่เรื่องกาอย่ามาลืมตือนเดีอยวหนึ่งอยากให้คุณผู้อบทำให้มันเฉ็ๆได้ไหมอนาคตไม่แน่นอนจะจับไม้แค่มาตายโยนผิดหวังจะเสียใจสลอดชิตตรงนี้น่าทุกงแต่ทําไมไม่ทำกันล่ะเจ้าอะไรอีก นยดูอย่างคุณชาลีเนียจะบอกหลวงพ่อทาไม่ได้หลงพ่อพ้นทายนะหนังสือเนี่ยพ่ออยู่ในกระเป๋าผมผมรวดการเพ่งก็ด้วยสวดด้วยบางครั้งการเพ่งไม่ออกการดนี้เลยนะการสวดอบเลยนะยามาชีมาั่าอยู่ก็มาบอกยอมเช่อการเพ่มาเ่รเพงทังรักทั้งแครทั้งน้มใน่งทั้งหึงทั้งหวงก็ยกุ่มจินตายกันให้เพ่งอ่านี้ วันหลังให้บางบาเสียงดจะองให้ฟังนะ้อให้ฟังะคาดูตนแก่นั่งแต่นะแตเดี๋ยวยเลยไม่พอชโม อ, อด้าสองหน้า ก, กระดาษวาุ้าก็ต่งเพลงด้วยหอเพัมีอะไรมีนยาเหมนอมีอะไรขึ้นในัง อ, อยังง้หวหวามันชงแม่แกงโดยเพลงได้โยงได้ดไห ม, มาทางารกรรมฐานน อนวิชาใบาจางเทิงเนี่ยตอนยมเนื้อหาสาระของตอนให้มีการถามต่อลูกสอนต่อไปแตนอย่างนี้นีน่หเหตุผลนะเราคนมานั่งกรรมฐานทำไมเอาไหนจะสู้อิสลามไม่ได้เลยนะ่างยอิสลามไม่ืูดไม่คุยเลยมันจึงถือถึงเอด็ดคือเอาสมุด น, น, น, น, น, น, น, นุ่มบุหรี่มุดเรี้ยงอาหารจับสว่างเรื่ยงอาหารเลื่ อ, อชยชาถึงดย่มน้ำเพื่อเยอะมากจนเอ โดนจงกองป่านงมาพูดจาก็รด้วยนี่ืออิชาได้ผลอย่างนี้พูดก็ได้ถอก็ไม่หมายความว่าเอาอิสลามมาเป็นพูดเลือกพูดมาเป็นพูเจบละกาด่าตั้งความือองแกไปแกเอาุณเหนนักถือกันนะคุณไเชะเราไม่ว่ท่นนี้คุณเป็นอิสลามก็นับถืออิชลามไปไงผมพูดกันแล้วนถือพูดไปเป็นพูดกันนับถือพูดไแต่เมือบริส มือทักรมงตุดาขายแล้วจะให้ชรุยังไปใช้ดูถ้ามังคนก็มาขอใหม่ถ้าใช้มาดูพึ่งใจไม่มีปัญหาบ้างมาดูพึ่งใจจากนั้นเอาไปมันจะเพียรเอาหลังเขาชอบใจมากเขาชอบใามากแต่แค่รุกใจความโอกาสนี้แค่อนุโมทนาญาโยมเวลาจัการชาติจะต้องลงปฏิโมติมาคอยจะต้องเปิดอฏิมาทั้งคำอุท ขอขอยอมมาโดยความตั้งใจทำโดยความตั้งใจถ้าทำมาเราตังใจทำต้องได้ผลจะตั้งใจเรียนศึกษาต้องขยันแต่มาถามแต่มาแล้วทำโดยความขยั น, ไ, นไหนเดนะียวขยันตัวเองซ้ำซึ่งพูดแล้ต้องทำด้วยอยากคำพ่อไปฟึ้งนงเอาพูดคำพึ้นไม่ได้แต่พอกลัปจะถามชื่เขาด้วยถามพี่เขาทำยังไงตาดูหูฟังปากนิ่งฟึ้ง เาเคยทายังไงดูเขา้างเขาหมุนดูๆตาตาอย่าไปเอาอำนาจบาดยาของเราไปใช้แต่กระทำพู้เาสามเคารกฎหมายบั่นหัวเาด้วยอย่าเอาแต่ตัวมีอำนาจก็บเฉพาะอตมาไปยุ่งเหยิงมากไปเทิดข้ามเคารพกฎหมดําั่นหัวเขาุดต่อเทิดี่ละไปมาเนี่ยแต่ทำอะไรทาด้วยคาเทศดอย่านี้ทำด้วยจุดสงบแทนจะได้จะรถทาทาอะไรมันจะได้ออกมาความถูกต้องและก็้อปหาได้ คำอย่างนี้ไม่เคยไปต้องได้ยา น, น่นสามวันอธิบายยากันไม่ใช่อย่างนี้ยังทำไม่ได้ึงจะได้ยาอะไรจะได้อะไรหรือแค่ปฏิโคตของโวมท่านยังตัทางบ้านมาไม่ได้ลับมาไม่ได้